ประวัติชีวิตคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒธธาจารย์ลุงปูดุลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุริง่งต่อไปจะเป็นประวัติชีวิต ของพระราชวุทธธาจารย์คือหลวงปู่ดุลัตุโลชีวิตในประถมมวัยหลวงปู่ถือกำเนิดณบ้านประสาทอำเภอเมืองจังหวัดปุริแต่เมื่อวันที่สี่ตุลาคมพุทธศักราช 2,431 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นพระยาสุรินทวงเล็บม่วงยังเป็นเจ้าเมืองอยู่แต่ไปช่วยราชการอยู่ติ่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเจ้าเมืองอุบลและกรมการเมืองเชมผูใหญ่ย ต้องไปราชการทัพเพื่อปราบพ่อนี่ราปีพุทธศักราช2431ก็เกือบหนึ่งร้อยปีมาแล้วบิดาของท่านชื่อในแดงมารดาชื่อนางเงิมนามสกุลดีมาก แต่เหุที่ท่านนามสกุลว่ากระเสมสิลินั้นท่านเล่าว่าเมื่อท่านไปพำนักประจำอยู่ที่วัดสุธะนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลานานมีหลานชายคนหนึ่งชื่อพร้อมไปอยู่ด้วยท่านจึงตั้งนามสกุลให้ว่ากระเสมศิลตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยใช้นามสกุลว่ากระเสมศิลไปด้วย หลุงปูท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาห้าคนเ้วยกันคือคนแรกเป็นหญิงชื่อกลีคนที่สองเป็นชายคือตัวท่านเองชื่อดุมคนที่สามเป็นชายชื่อแดนคนที่สี่เป็นหญิงชื่อรักคนที่ห้าเป็นหญิง ทองพี่น้องของท่านต่างพากันดำรงชีวิตไปตามอัตภาพกราบเท่าไว้ชราและได้ถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะมีอายุถึงเจ็ดสิบปีทั้งหมดก็มีหลวงปู่แต่ผู้เดียวที่ครองอัตภาพมาได้ยาวนานถึงเก้าสิบหกปี ชีวิตของหลวงปู่เมื่อแรกรุ่นเจริญวัยนั้นก็ถูกกำหนดให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมในสมัยนั้นแม้ท่านจะเป็นลูกคนที่สองแต่ก็เป็นบุตรชายคนโตดังนั้นท่านจึงต้องมีภารกิจมากกว่าเป็นธรรมดาโดยท่านต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านงานในบ้านเช่นตักน้ำตำข้าว หุงหาอาหารเลี้ยงดูน้องๆซึ่งมีหลายคนงานนอกบ้านเข่มช่วยแบ่งเบาภาระของบิดาในการดูแลบำรุงเลือยสวนไร่นาและเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นต้นในบรรดาเด็กรุ่นเดียวกันในระแวกบ้านนั้นท่านเป็นผู้ได้เปรียบ ในเรื่องรูปสมบัติคือนอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงมีอนามาัยดีแล้วยังมีผิวพรรณหมดจดรูปร่างปโปรงได้สัดส่วนน่ารักน่าเอ็นดูและยังมีอุปนิสัยเยือเย็นอ่อนโยนความประพฤติเรียบร้อยมาแต่เยาวจึงได้รับคำยกย่องชมเชยจากบรรดา ญาติพี่น้องและผู้ที่ได้พบเห็นโดยทั่วไปสำหรับเรื่องราวชีวิตในอดีตนั้นนานแสนมานกว่าท่านจะเล่าให้ฟังสักครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสดีมีเวลาว่างท่านก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสุรินลำบับถึงบุคคลสำคัญสำคัญ ตลอดจนถึงเครื่อยาในสมัยนั้นประมาณปีพุทธศักราช2434พระยาสุรินทร์วงเล็บม่วงเจ้าเมืองสุรินทร์ู้ชักชวนให้คุณตาของท่านสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นบ้านปร า, าสาทขึ้นมาได้ถึงแก่อันิีเจ็ดกรรม กรมม ร, รุงพิชิตปรีชากรข้าหลวงใหญ่ทรงแต่งสร้างพระพริชัยนรงพักดีวงเล็บบุญนาน้องชายพระยากรินม่วงดำรงตำแหน่งแทนเป็นเจ้าเมืองลำดับที่หกตอนที่หลวงปู่นีหมายถึงหลวงปู่ดุลอตุโล ตอนที่หลวงปู่อายุประมาณหกขวดในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นสำคัญคือเกิดกรณีพิาพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับฝรั่งเศสรเรียกว่าเหตุการณ์รอสร้อยสิบสองชายจชดกันลูกฟุรินแปดร้อยคน เข้ารับการฝึกหัดในกองกำลังรบและถูกส่งไปตรึงในรบด้านอุบลร่วมกับกองกำลังจากเมืองอื่นอนเพื่อต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสแต่แล้วหลังจากการประทะกันเพียงเล็กน้อยก็ตกลงทำสัญญา ส, ญญาสงบศึกกันหลังจากเสร็จการมีพิาพากไม่นานพระพิชัยนรงพั ด, ดีบุญนานะ ก็ถึงกกรรเกตกำเสดก่อนที่จะได้รับพระชจานบรรดาศักดิ์เป็นพรยาทุรินพักดีศรีภัไทไพยสมันตามตำแหน่งเจ้ามือกรมารวงพิชิต ป, ปริชากรจินทรงแต่งตั้งพระพิชัยนครบวรวุฒิจรัญหลานปู่ของพรยาตุรินดี เจ้าเมืองคนที่สองให้ดำรงตาแหน่งเจ้าเมืองสุรินลำดับที่เจ็ดและได้รับพระราชทาบรรณาปั์เป็นที่พระยาสุรินพักดีสีประทัยสมันเจ้าเมืองคนนี้ถึงเจ็ดจำเมื่อลุงปู่มีอายุประมาณสิบสามสิบสี่ปีกำลังเข้าสู่วัยรุ่นต่อจากนี้ พระพิชัยนรงพักดีบุญจันทร์แต่ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองลำดับ1ิแปดเป็นที่พระยาสุรินทร์พักดีศรีพรไัยสมันตามตำแหน่งด้วยเจ้าเมืองคนนี้แหละที่มีบัญชาให้นำตัวลุงปู่ท่านมาเล่นละคร เล่าย้อนถึงชีวิตของท่านเมื่อครั้งยังเป็นนางเอกละครแล้วบอกว่าสมัยนั้นคนนิยมดูละครกันมากมาถามท่านว่าแสดงได้ดีนะหรือยี่มีคนนิยมดูมากอาท่านบอกว่าสมัยนั้นมีธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าเป็นละครของเจ้าเมืองในหัวเมืองต้องเอาผู้ชายแสดงทั้งหมดโดยสมมุติ เป็นพระเป็นมางเอาถ้าเป็นละครหลวงหรือละครของพระเจ้าแผ่นดินผู้แสดงต้องเป็นผู้หญิงล้วนสมมุติเป็นพระเป็นมางเอาเหมือนกันเรื่องที่ท่านเคยแสดงก็มีเรื่องไทยเชฟเรื่องรักสนวงเรื่องจันทรกุมารเป็นต้นจําได้ชื่อหนึ่งว่าท่านเคยแสดงเป็น นางชื่อนางรำพาลูกทราบว่ามีอยู่ในวรนคดีเรื่องใดหรือไม่ระหว่างที่แสดงละครนั้นท่านมีโอกาสได้เล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือไทยบ้างจากท่านผู้รู้ช่วยสอนให้เพราะยังไม่มีโรงเรียนสอนหนังสือไทยในขณะนั้นท่านเราว่าเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปด อตอนนั้นอายุของท่านก็ประมาณสิบแปดปีท่านได้ลงไปกรุงเทพเป็นครั้งแรกเพื่อไปซื้อเครื่องแต่งละครนั่นเองเพราะเป็นตัวนานเองต้องมาลองเครื่องเลือกเครื่องให้เหมาะเจาะสมตัวเดินทางไปกรุงเทพโดยการขี่ช้างจากตุริน ใช้เวลาสีวันสี่คืนถึงแค่เมืองโคราชพักช้างไว้ที่นั่นแล้วก็ขึ้นรถไฟจากโคราชเข้ามากรุงเทพเนื่องจากขณะนั้นรถไฟมีเดินแค่ระยะกรุงเทพโคราชเท่านั้นเมื่อลงจากรถไฟที่สถานีวลมพงแล้วเห็นกรุงเทพสมัยนั้น ไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องผู้คนมากมายอะไรจะไปไหนมาไหนเมื่อปวดท้องหนักท้องเบาก็สามารถแวะเข้าป่าสแก่สาบเสือข้างทางได้อย่างสบายน้ำผ้าแต่ละลำคลองก็ใสสะอาดดีอาบดืนได้อย่างสนิทใจเมื่อกลับมาถึงสุรินทร์แล้ว ให้รู้สึกประยิมว่ามีบุญวาสนานิ่ใช่น้อยที่ได้ไปถึงและได้เห็นบางก อ, อกด้วยสายตาเพราะในสมัย น, น, นั้นน้อยคนนักที่จะได้เห็นกรุงเทพคนสมัยโนนกับคนสมัยนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันนักในเรื่องการคลั่งดาราหรือชอบสนิทสนมกับนักสแสดง นี่เป็นข้อสรุปที่ได้มาจากเรื่องทีหลวงปู่เล่าให้ฟังขำๆว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่คณะละครของท่านเลิกคือจบจากการแสดงแล้วก็มีสุภาพบุรีท่านหนึ่งทั่วผ้าเข้ามาในห้องทำท่าทางตีสนิทคงคิดจะทอดไมตรีผูกเป็นมิตรสายกัน เพ่แค่นี้ก็นับว่าแก่นกล้านี่ใช่น้อยเมื่อคิดถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นขณะนั้นท่านนางเอกละครกำลังค่อยๆถอดเครื่องทรงอารงณ์กรออกทีละชิ้นสองชิ้นทั้งแทร่ทั้งเทียมสุภาพส ต, ตรีท่านนั้นเมื่อทราบว่าท่านเป็นผู้ชายก็อายมาก รีบกระโดดลงจากเวทีวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหมือนเกระบตายป่านี่แสดงว่าหลวงปู่ของเราเป็นนักแสดงชั้นยอดจริงๆเมื่อแสดงเป็นตัวนางเอกแม้แต่ผู้หญิงแท้ๆก็ยังหลงเชื่อไม่กว่าเป็นผู้หญิงจริงๆอ่แม่นี่มีส่วนเที่อให้เห็นว่าเด็กหนุม่มเด็กสาวสมัยนั้น ก็มีจิตสํานึกในอันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเตื่องเสียและระวังในเรื่องระวางเพศเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดความมัวมองในชีวิตของหนุ่มสาวของตนนิฉะนั้นจะต้องถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากสายตาของสังคมหลวงปู่ท่านกล่าวว่าชีวิตวัยหนุ่มของท่านตลอด22ปี บริสุทธิ์ผุดพองไม่เคยพ้อง่านแต่ต้องสตรีเพศเลยแม้แต่น้อยตราบเท่าเข้าสู่พรหมจั๋์ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งภาคกาสวัสรวดเดียวตลอดชีวิต ที่เป็นชีวิตในประถมะวัยของท่านต่อไปใต้ร่มผ้ากาสาวพัดแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใครๆก็ต้องรู้สึกว่าหน้าเพลิดเพลินและหน้าลุ่มหลงอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะอยู่ในวัยกำลังงามแล้ว ยังเป็นนักสแสดงที่มีผู้นิยมชมชอบมากอีกด้วยถึงกะนั้นหลวงปู่ก็ไม่ได้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเลยตรงกันข้ามท่านกลับมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางเนกขมมะคืออยากออกบวชจึงพยายามขออนุญาตจากบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณที่มีเมตตาชุบเลี้ยง แต่ก็ถูกท่านเหล่านั้นขัดขานเรื่อยมาโดยเฉพาะฝ่ายบิดามารดาไม่อยากให้บุตเนื่องจากขาดกำลังทางบ้านไม่มีใครช่วยเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวซึ่งท่านเป็นบุตรชายคนโตด้วยแต่ในที่สุดอบิดามารดาก็ไม่อาจขัดขวางความตั้งใจจริงของท่านได้ ต้องอนุญาตให้ท่านบวชได้ตามความปราถนาที่แน่วแน่ไม่คลอนแคลนของท่านพร้อมกับมีเสียงสำทับจากบิดาว่าเมื่อบวชแล้วต้องไม่ศึกหรืออย่างน้อยต้องอยู่จนได้เป็นเจ้าอาวาสท่านี้เนื่องจากปู่ของท่านเคยบวชและได้เป็นเจ้าอาวาสมาแล้วและคงเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยกระมัง ท่านจึงมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางบรรพชามาตั้งแต่เยาว์คือมีอุปนิสัยรักบุญเกรงกลัวต่อบาปนี้ได้เพลิดเพลินคึกขนองไปในวัยหนุ่มเหมือนบุคคลอื่น ครั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ท่านจินได้ละครวะวิสัยเข้าสู่ความเป็นสมณะตั้งแต่กาลนั้นเมื่อท่านมีอายุได้ยี่สบสองปีโดยมีพวกตระกูลเจ้าของเมืองที่เคยชุบเรียงท่าน เป็นผู้จัดแจงในเรื่องการบวชให้ครบถ้วนทุกอย่างท่านได้บรรพชาอุปสมบทณพัะเิมาวัดชุมพลสุภาวาในเมืองสุรินโดยมีพระครูวิมลสิลพศทองเป็นพระอุปชาพระครูบึกเป็นพระกรรมวาจาจารยร์ พระครูฤทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ณวกะพิสุผู้กระหายธรรมเมื่อแรกบวชก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อแอดวัดคอโ ค, อคอ ซึ่งหยุดชาญเมืองทุรินวิธีการเจริญกรรมฐานในสมัยนั้นก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายนักวิชาที่หลวงพ่อแอดสอนในสมัยนั้นคือจุดเทียนขึ้นมาห้าเร่มแล้วนั่งบริกรรมว่าขออัญเชิญปิติทั้งห้าจงมาหาเราดังนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่ หลปู่ดุลก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความมิริยาอุตสาหะอย่างแรงกล้าพยายามบริกรรมเรื่อยมาจนครบปลายมากโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่เล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ฝึกผลทรมานร่างกายเพื่อเผาผลานจิเรศด้วยความเข้มงวดกวดขันการขบ ฉันอาหารวันก่อนเคยฉันเจ็ดคำก็ลดเหลือหกคำแล้วลดลงไปอีกตามลำดับจนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมโซเซสู้ไม่ไหวจิงหันมาฉันอาหารตามเดิมระยะนั้นก็ไม่เคยท้อถอยสู้บำเพ็งภาวนาไปเรื่อยๆ ตามที่ธรอาจารย์อบรมสั่งสอนนอกจากนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือท่องบนเจ็ตจมานบ้างสิดสองตำมานบ้งาบงแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยเลยเรื่องวินัยที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาเพื่อเป็นรากฐานของสมาธิภาวนานั้นท่านไม่ทราบ มีหน้ำฟังระหว่างที่อยู่วัดดังกล่าวพระในวัดนั้นยังใช้ท่านฟางเกวียนและเลี้ยงโค อ, อีกด้วยท่านจึงเกิดความสลดสังเวชและเบื่อหน่ายเป็นกำลังแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งได้ถึงหกพันษาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่จังหวัดอุบราชธานี มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้นเรีย ก, กไปขออนุญาตท่านพระครูวิมลศิลปพสผู้ประชารยาจานเพื่อไปศึกษาแต่ก็ถูกคัดคานกลับมาท่านไม่ได้ลดละความพยายามไปขออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งครู ป, ประชาร เห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงจึงอนุญาตให้ไปโดยมีครูคงและครูดิตไปเป็นเพื่อน